6.12 ชีวิตสมบูรณ์ได้เพราะหมดความอยากวงเล็บเปิด21มีนาคม2551ในวงเล็บสองจุดจุดนาที3วงเล็บปิดสิ่งที่ขาดในชีวิตไม่มีใครมาเติมให้เต็มได้ต้องเติมของเราเองคนในโลกรู้สึกขาดอยู่ตลอดเวลาต้องขวอยคว้าหาคนอื่นมาเติมให้ไม่ว่าเราไปขวอยคว้าอะไรมาเราก็จะตกเป็นทาสของสิ่งนั้นเพราะเราคิดว่าจะต้องมีสิ่งนี้แหละ ชีวิตของเราถึงจะสมบูรณ์แต่ว่าพอเราภาวนาเป็นเรารู้เลยว่าไม่ใช่หรอกเพราะหมดความอยากต่างหากชีวิตเราถึงสมบูรณ์ได้เราจะไม่ดิ้นรนไปเติมให้เต็มนะเพราะมันเต็มอยู่ในตัวเองแล้วคราวนี้มันเติมมากก็เริ่มล้นออกมามันล้นไปสู่คนอื่นแล้วมันรู้จักเมตตาคนอื่นรู้จักการุณาที่แท้จริงเมตตาที่แท้จริงเป็นเมตตาที่สะอาดเมตตาที่สกรปรกคือเมตตาแล้วเจือราคะเข้าไป อย่างเราเห็นคนน่าสงสารใช่ไหมเราก็อุ๊ยดูแลเขาดีไปนานๆไปผูกพันกับเขาเป็นเจ้าเขา้าเจ้าของเขาเริ่มบงการชีวิตเขาอีกแล้วฉะนั้นเราจะเต็มในตัวของเราเองนะไม่ต้องไปไขว้คว้ า, าส่วนคนไหนไปคว้ามาแล้วก็ช่วยไม่ได้นะอย่าไปทิ้งนะบาปกรรมอย่ามาบอกว่าปล่อยวางนะวางคนนี้แล้วเดี๋ยวมันก็ไปคว้าคนอื่นมาอีก